เคยไม่ดีแค่ไหนและเธอก็คงเสียใจที่ฉันไม่เคยแคร์วันนี้ฉันก็รู้เหตุผลที่เธอมีคนดูแลเข้ามาแทานที่ฉันด้วยเหตุใดคนที่ดีอย่างเขากบคนที่ ไม่มีทางจะเหมือนกันและฉันก็เข้าใจเธอเลือกคนถูกแล้วเมื่อฉันมันไม่คู่ควรอะไรและต่างกันราฟ้ากับดินแต่อยากให้รู้ว้ายังว่าคนที่ไม่ดี ครั้งมันไม่ตั้งใจไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นคนไม่ดีตัวฉันเองก็รู้ว่าวันนี้คงจะสาย ที่แล้วที่ผ่านมาแต่อยากให้รู้ว่า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 เธก็บเอ